จบเสียงอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานนวโรดศเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ปัญญาโกจันพลพร อ, อภิวัฒนาเสวีวิวัฒยองเอ็นงรักสุวบุญธริกาเพชรกลมครอบครัวสินสมบัติ ครอบครัววชิโรดมรสกรกุลเพิ่มทวีรัตสมเกียรติรักคงนกพดลและกฤติมาสุธรรมบุตรนัทธิดาสุธรรมบุตรปทิตาเชื้อทองครอบครัวศิราภาสกุลครอบครัวงามสุริยพงษ์หฤทธัยรัตทิพเนตรวิชาญมนทาทิพกุลพิศนาเจษดาวรางกูลนภพรปัญญารัตนคุณา ก, กรกฤิษาประสบรัตชัยยุทธอ่อนอินและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม